อะตีตังนานวาคเมยะนับปติกังเขอนาคตังยะถาตีตัมปะหีนันตังอ ป, ปัตตัญจะอนาคตังปัจจุปป น, นังจะโยธรมมังทัตทะทัต ท, ทะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามานุปุรุหเย อาเชวะกิจจะมาตาปังโกชัญญามรณงสุเวนะฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนณะมจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิต ah ังตังเบพเทกะรัตโตติส oh ันโตอาจิกะเตมุนีติแปลว่า บุคคลไม่ควรกำหนงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้โปร่ปรงเถิดพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุงนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่ราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติ อยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรคกร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละ ว, ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญข้าพเจ้าพระมหาไปบุญอภีปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกนำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เหล่านี้แหละมาให้ธารมบุฟังได้ฟังกันเป็นตัวแม่บทธรรมบุฟังในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว แต่ว่ายังมีคําสอนของท่านหลงเหลืออยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวท่านไม่อยู่เนี่ยนะคือถ้าตัวท่านอยู่เราก็ยังไปสอบถามอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมคือตัวท่านอยู่นี่แต่ว่าถ้าตัวท่านไม่อยู่เหลืออยู่แต่คําสอนตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะต้องเอาคําสอนเนี้ยมาเป็นตัวแม่บทเป็นศาสดาแทนคือเป็นผู้สอนแดนหลักการที่สําคัญคือเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บท แล้วก็เป็นหน้าที่ของสมณนะอย่างข้าพเจ้าธรรมบุฟังที่จะให้ธรรมบุฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าได้ฟังแล้วหรื อ, อยังไม่เคยได้ฟังก็ตามก็พยายามทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดจะนําเรื่องราวพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกอาจจะมาจากส่วนที่เป็นคัมภีร์ต่างๆ ท, ที่เป็นคำภี์อยู่ในชั้นพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานต่างปฐมภูมิเนี่ย เราก็จะพบอยู่ในคัมภี์เช่นอังกุตรนิกายมัชฌิมานิกายทีฆานิกายหรือว่าสังยุตตะนิกายบ้างอันนี้ที่เขาแบ่งแยกเป็นเรื่องราวตามความสั้นความยาวของเนื้อหาบ้างตามหมวดหมู่บ้างก็แล้วแต่ในส่วนที่เป็นข้อมูลในทางทุติยภูมิที่เป็นข้อมูลชั้นรองล ง, ง, งมาเช่นเรื่องราวในธรรมบทต่างๆเบอดีข้าพเจ้าก็นามาให้ท่านผู้ฟังฟังบ้า ง, างเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ ในหลากหลายรูปแบบในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันท่านบฟังได้นําเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญมาให้ท่านบูฟังได้ฟังกันเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าทันใดตรัสไว้ในะเริ่มต้นเริ่มแรกเลยก็ที่เมืองสาวทัทถนะีท่านตรัสไว้ก่อนในบทบาลีที่ได้เอามาอ่านให้ท่านบูฟังฟังตั้งแต่แรกเลยที่ขึ้นว่าอตีตังนานวาคเมยะ นปฏิกังเก อ, อนาคตังนะซึ่งหลายฟังด้วยว่าบุคคลไม่ควรกำเนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นต้นนี้ประสุตนี้เรื่องราวตรงนี้นะได้มีการบอกเล่ากันต่อๆกันไปคือไม่ใช่แค่ที่เมืองสาวัตถีเท่านั้นนะคือเมืองสาวัตถีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงเองที่ในวัดเชตวันอธนะิบายขยายความทั้งโดยตัว บทเองคือตัวต้ น, น, นคือคาถานี้นนคําว่าคาถานเนี่ยหมายถึงคำคลอนที่แต่งเป็นบทที่มีอักขระเรื่องของอักษรศาสตร์ต่างๆที่ลงรับกั น, นะมีแม่แบบแบบแผนที่แน่นอนตรงนี้ก็จะใช้คําว่าคํากลอนหรือว่าคาถาก็ได้ในภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นร้อยกลองคือมีการกําหนดฉันทลักษณ์คําสัมผัสบังคับคําอะไรต่างๆ ภาษาบาลีเขาก็ใช้คําว่าคาถาหรือว่าคําฉันคํากาบคํากลอนอะไรประเภทนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสคําฉันเอาไว้เนี่ยเป็นคํากาบเอาไว้คือเป็นคาถาเอาไปตรงนี้ก็เรียกเป็นอุทเทศเนะี่ยคือเป็นหัวข้อที่ยกขึ้นมาแล้วก็ได้ขยายความเอาไว้นะขยายความนั่นก็คือวิพังเพราะฉะนั้นเวลาศัพท์ที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเนี่ยก็คืออุเทศและวิพังเนะี่ยยกขึ้นมาเป็นอุเทศยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเพื่อที่จะ อธิบายขยายความต่อไปเดี๋ยวจะขยายความมากหรือน้อยจะแยกแยะไปเป็นกีนนัยยะนัยยะก็ต้องมีอุเทศขึ้นก่อนนะมีเรื่องต้นที่จะยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการอธิบายต่อไปแล้วถ้ามีการแยกแยะขยายความต่อไปเป็นวะิพังอันนี้เขาก็เรียกคือการแยกแยะต่อไปพระพุทธเจ้าได้แสดงเองแล้วก็ขยายความยกมาทั้งอุทเทศคือหัวข้อและขยายความเป็นวิพังไว้ด้วยตัวเองที่ วัดเชตวันอันนี้ครั้งหนึ่งแต่ท่านพระอ น, นุได้ฟังพระสูตรนี้เนื้อหาเหล่านี้มีวาราหนึ่งพระบรุรเจ้าไปหลีกเร้นท่านพระอ น, นุนก็เอาเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจรเนี่ยมาบอกเล่าให้พิสุท์ตั้งหลายฟังทั้งโดยหัวข้อและโดยคำอธิบายพระบรุตรเจ้ามาถึงเห็นพระประชุมกันอยู่ก็ถามกันว่าคุยเรื่องอะไรกัน ได้ทราบความมาเอาคุยเรื่องของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอทราบว่าท่านพระนลเป็นผู้เทศผู้บอกผู้สอนท่านก็เลยถามว่าเอาท่านพระ น, นนบอกยังไงสอนยังไงพระนลก็อธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งพระบริดาเจ้าก็ยืนยันทับซ้ําบอกไปอีกรอบหนึ่งใ่เป็นรอบที่สอันนี้คือมีหลายพระสูต์ที่ข้าพเจ้าเอามาให้จมูกฟังฟังแลนะมี4ีพระสูต์ด้วยกันที่เรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ย มีทั้งหมด4ีพระสูตรทั้งหมดนี้มาในมัชฌิมานิกายทั้งสิ้นเลยแต่เป็นพระสูตรที่เรียงต่อๆกันมาเริ่มต้นที่พระสูตรที่ร้อิบเอ็ไปร้อย3ามบร้อยสามสิบและร้อเริ่มต้นที่ข้อ526อันนี้คืออันแรกที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเอาไว้เองเรื่องของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญในพระสูตรที่2คือพระสูตรที่ร้อยสามเนี่ยเริ่มต้นที่ข้อ535 อันนี้คือที่ท่านพระอา น, นุนแสดงแล้วพระพุทธเจ้าก็เอามาทบทวนซ้ําอีกรอบหนึ่งนี่เป็นรอบที่สละอันนี้เขาเรียกว่าอานันทะพัเทรัตสูตรนั่นคือหมายถึงผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่แสดงโดยท่านพระอานนุ์ซึ่งท่านพระอานนุนแสดงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป๊กน่นทั้งสองพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่วัดเจตวันเมืองสาวพัทถีส่วนในพระสูตรที่สาม เริ่มต้นที่ข้อ548เป็นพระสูตรที่133อันนี้เป็นเรื่องราวที่อธิบายขยายความโดยท่านพระมหากจานะแั่ก็จึงเรียกพระสูตรนี้ว่ามหากจานะพัทเทกรัตสูตรนั่นคือหมายถึงเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่อธิบายโดยท่านพระมหากจานะอันนี้เริ่มต้นที่ข้อ548ในเรื่องนี้ ท่านพระมาหากจานะได้อธิบายไว้ที่เมืองราชคฤุที่ตาโปธารามในตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยก็ได้แสดงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและในพระสูตรที่สอั น, นนี้เป็นเรื่องที่เทวดาเขาเอาข้อมูลไปบอกพระที่ชื่อโลมะสั ก, กังคียะแล้วพระโลมสั ก, กังคียะเนี่ยก็เดินทางจากเมืองกระบิลพัทมาถามข้อความในรายละเอียดกับพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถี ในพระสูตรนี้ชื่อว่าโลมาสกังคียพะพัทเทรัตสูตรก็คือผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่กล่าวไว้กับพระภิกษุชื่อโลมาสักังคียะเป็นพระสูตรที่134เริ่มต้นที่ข้อ565แ้อเราทำการศึกษาทั้ง4ี่พระสูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยทุกผู้ฟังเพราะว่ามีเนื้อหาที่เป็นไปในทางเดียวกันกอนที่จะอธิบายถึงตัวเนื้อหาของ ผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยเป็นเรื่องต้นที่ข้ะพเจ้าได้ยกมาที่ชื่อว่าพัทเทรัสตสูตรเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการที่บุคคลต่างๆได้นําเนื้อหาในเรื่องราวตรงนี้ผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยไปบอกไปประกาศในที่ต่างๆในที่แรกคือที่เมืองสาวัตถีวัชชะวันแล้นะในที่ที่สองนี่ก็คือที่ตาโปธารามเมืองราชกฤกคนที่เอามาบอกมาแสดงไว้ นั่นคือเทวดาองค์หนึ่งเทวดาเนี่ยเขาก็มาหาภิกษุที่ชื่อว่าสมิตินั่นภิกษุรูปนี้ก็หล่อเหลามีรูปร่างหน้าตาดีทีเดียวไปอาบน้ําที่ตาโปธารามนั่นคือเป็นเป็นบ่อ น, น้ําพุร้อนบ้างนะแ ต, นนต่น่าตำฟังน้ํามันไหลขึ้นมาจากตาน้ําใต้ดินแล้วก็มีน้ําร้อนออกมาทางทั้งที่บริเวณนั้นไม่ได้มีภูเขาไฟไม่ได้มีอะไรแต่ก็มีตาน้ําร้อนโผล่ออมาแต่ก็มีตาน้ําร้อน ไหลออกมาก็เหมือนกับบ้านเราในหลายท่านผู้ฟังในบางที่บางแห่งก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนอะไรต่างๆก็มีแต่นะซึ่งอันนี้ในทางตรณีวิทยาเขาก็จะบอกกันอธิบายกันไปว่าเอาก็เพราะว่ามีลาวาอยู่ใต้ดินนะมันไปอยู่บริเวณนะั้นมันก็ร้อนไหลออกมาเราก็เลยได้พบเป็นน้ําร้อนขึ้นมาทีนี้ในตำนานอันนี้เป็นอัตคกถาที่อธิบายไว้ในพระสูตร ที่ชีวามาหากัจจานะพะเดรัตสูตรเนี่ยอธิบายถึงเรื่องของตโปธารามะไวายนมัมวังบอกว่าจริงๆแล้วเมืองราชครือเนี่ยมีโลกของเปรตเนี่ยล้อมรอบอยู่เมืองราชครือเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านมีพวกอมนุษย์อยู่มากคือพวกเปรตนี่ก็เป็นอมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ในโลกของเปรตเนี่ยก็จะมีนรกอยู่ส่วนหนึ่งนะตะโพธารามนี่คือเป็นแม่น้ําที่ไหลมาจากตรงนั้น แล้วก็ผ่านนรกสองขุมนี่มาทําให้น้ํำที่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําร้อ น, นเป็นน้ําอุ่นและแม่น้ําที่เป็นตโปธาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจริงๆเป็นแม่น้ําของพวกพญานาคที่เราพญานาคเขาก็จะมาใช้อาบใช้อะไรกันอยู่ตรงนี้ในที่ปัจจุบันนี้ที่เมืองราชกฤรสถานที่ที่ชื่อว่าตะโปธารามนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีน้ําที่ยังไหลออกมาอยู่เป็นน้ําอุ่นด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ยังไปอาบกันอยู่ ไหลออกมาจากภูเขาแบ่งเป็นชนชั้นวันละกันแต่ที่ตพารามนั้นพระภิกษุชื่อสมิธิไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็กำลังพึงตัวให้แห้งอยู่เนี่ยก็มีเทวดามาถามเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญตรงนี้ท่านพระสมิธิบอกไม่ไม่รู้ไม่เคยได้ฟังเลยเทวดาก็เลยบอกงั้นให้ไปหาเรียนจะาเนี่นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยท่านพระสมิธิก็เลยไป ถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าไอ้ผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวคาตานี้ให้ฟังนําพอกล่าวคาตานี้ให้ฟังยังไม่ทันจะถามในรายละเอียดท่านก็หลีกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าไปสู่ที่หลีกเร้นก็ไม่รู้ละ ว, ว่าในรายละเอียดว่าบุคคลไม่ควรกำลังถึงสิ่งที่ลวงไปแล้วเป็นต้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงก็เลยไปถามท่านพระมาหากัจานะก็เลยเป็นเหตุให้ท่านพระมาหากัจานะมาอธิบายขยายความในประศูนิ์นี้ นะซึ่งลีลาในก่อนที่ท่านพระมหากัจจานาจาอธิบายให้ใครฟังเนี่ยท่านก็จะพูดในทํานองว่าเอา้าก็อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทำไมไม่ถามเนะีมืนคนอยู่ต่อหน้าแก่นไม้ไปหาแก่นไม้แล้วเจอไม้แก่นแล้วจะมาเอากิ่งเอาใบอะไรกันทําไมไม่รู้จักเอาแก่นตรงนั้นนะท่านพระสมิทธิกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นที่ได้ฟังคาถานี้เนี่ยที่เมืองราชกรุเนี่ย ก็ต่างก็ยกย่องท่านพระมาหาการนะแหละว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถขอให้ท่านบอกเธออย่าลำบากด้วยเรื่องนี้เลยแต่ขอให้แสดงอธิบายให้ฟังหน่อยท่านกระดาอธิบายมาแล้วก็จบท้ายด้วยว่าถ้าได้ความอย่างไรก็ไปถามพระพุทธเจ้าท่านบ้างไงก็ส่งจํามาอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะลีลาในการที่อธิบายขยายความของท่านพระมาหาการนาะนะธรรมฝั่งไม่ว่าจะในพระสูตรนี้หรือในพระสูตรอื่นๆที่มีคนไปตามธรรมะท่านเนี่ย ถ้าก็ะพูอย่างนี้ตลอดเนี่ยทำไมไม่ไปถามพระพุทธเจ้าเองเหมือนกับสแสวงหาแก่นไม้อยู่ต่อหน้าไม้แก่นแล้วไม่รู้จักเอาไม่รู้จักคว้าเอาไว้แต่ถ้าเขาอ on ่อนวอนมากขึ้นเอาก็อธิบายให้ฟังหน่อยแล้วก็จะตบตายด้วยว่าให้ไปถามพระพุทธเจ้าเป็นการสาอีกครั้งหนึ่งหลืซึ่งก็จะลักษณะต่างกันกับท่านพระสารีบุตรท่านพระมาหาการสปะหรือว่าท่านพระอ น, นุนก็ตามแต่ถ้ามีคนอื่นมาถามท่านพระอ น, นุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ย ท่าพระนรนก็จะไม่ได้พูดว่าต้องไปถามพระพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งนั่นคืออันนี้เป็นลีลาเฉพาะของท่านพระมหาการนะอั น, น, นี้จึงเป็นอันหนึ่งแหละที่กัปจชาตคิดว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องให้ท่านพระมหากจานะเนี่ยเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นในเรื่องของการที่อธิบายขยายความและเพราะท่านมีคุณสมบัติมีลีลาตรงนี้ด้วยนี่คงจะเป็นอันหนึ่งในห ล, ลายๆข้อ น, น, นี้คือในพระสูตรที่3ที่ได้แสดงไว้ที่เมืองราชจุกระ ที่ตปุทรามในพระสูตรที่สี่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองกบิลพัทและมีเทวดาชื่อจันทะก็เรียกว่าจันทะเทวบุตรเนี่ยมาบอกเรื่องนี้กับพิะสูตรที่ชื่อโลมาสกังกียะและโลมาสกังกียะนี่เขาก็แปลว่าเป็นพระที่มีขนน้อยอันนี้ขนน้อยไม่แน่ใจว่าท่านมีขนน้อยจริงๆหรือคนมากกันแน่คือถ้าคนในสมัยนั้นเขามีขนกันเยอะแล้วผู้นี้มีน้อย ก็เลยเอามาตั้งชื่อว่าเป็นพระผู้มีขนน้อยเนี่ยก็คงจะมีขนน้อยจริงๆหรือว่าถ้าคนหนึ่งเขไม่มีขนเลยแล้วผู้นี้มีขนมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่มันก็ยังน้อยอยู่เนี่ยเขาก็เอาตัวนี้มาตั้งเป็นฉายาได้อย่างไรก็ตามท่านก็ชื่อว่านี้แหละพระที่มีขนน้อยเนี่ยเทวดาองค์นี้เข้ามาบอกหัวข้อนี้ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมีหัวข้ออย่างนี้แต่ไม่รู้ในรายละเอียด แล้วก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้าในรายละเอียดเทวดาองค์นี้ก็บอกว่าเขาฟังพระสูตรเนี้ยมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าไปยืนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงประทับนั่งบนบรรทุกํมพลศิลาอาสของเท้าสักกะซึ่งอยู่ ใ, ใต้ต้นปาริชัตตกะอัะนี่คือในสวรรชั้นดาวดึงแต่เนื้อความตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต้องระว า, างเพราะว่าในพระสูตรหลักที่เป็นข้อมูลทางปฐมภูมิเนี่ยไม่ได้มีตอนไหนเลยที่ ได้บอกถึงการที่พระพุทธเจ้าไปประทับจำพรรษาอยู่ในชั้นดาวดึงแต่มีแต่ส่วนที่มาในอัตถคถามีแค่ตรงเนี้เท่านั้นที่เป็นข้อมูลทางปฐมภูมิที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นและซึ่งเทวดาองค์นี้ที่ชื่อว่าจันทาเนี่ยเขาได้ฟังเรื่องนี้มาจากตรงนั้นแต่เขาจําได้เฉพาะหัวข้อคือตัวคาถาแต่เขาจําคําอธิบายไม่ได้ก็เลยมาหาภิกษุที่ชื่อโลมาสกังกิยะ ในเมืองเกิดบรรพัดที่นิโคโรตารามเพื่อให้มาเรียนกาถานี้กาถาหนี้มีประโยชน์แต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงไม่รู้ทำไปถามพระพุทธเจ้าเองก็แล้วกันนะพระโลมาสกังเกียก็เลยไปถามพระพุทธเจ้านั่นเะกิดไปตามหากันถึงเมืองสาวัตถีละ่ะพระพุทธเจ้าก็จึงได้แสดงพระสูตรนี้เป็นครั้งที่4ที่เมืองสาวัตถีแนละซึ่งเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปประทับบนอาสนะที่นั่งของพระอินท์นะั่นที่เรียกว่าบรรทุกขมพลศิลาาฏ เป็นเรื่องราวที่พิสดารพอสมควรนั้งบ่วงในสมัยนั้นพระบรมเชษฐ์ได้แสดงยมกาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนชั้นดาวดึงณจำพรรษาบนที่นั่งของพระอินท์ที่เรียกว่าบรนทุกคำผลศิลาอาตโดยใช้ผ้าสังกติของท่านเนี่ยห่อไว้คลุมมาไว้แล้วลก็นั่งอยู่บนนั้นจำพรรษาที่นั้นอยู่ที่ใต้ควไม้ปริฉัตกะแล้วก็แสดงทําให้เหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงฟัง ไม่ใช่แค่ชั้นดาวดึงเท่านั้นเทวดาในทุกหมูเ่เหล่าเรนก็มาฟังทำด้วยแล้วก็มีเรื่องที่เล่าเป็นตํานานกันต่อไปละว่าพระมารดาที่อยู่ในชั้นดุสิกก็มาฟังทำด้วยได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยเนื้อหาธรรมะที่แสดงในที่นั้นก็เป็นอภิธรรมแล้วที่แน่นอนก็ต้องมีเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญนี้แน่นอนจันทเทวบุตรนี้เขาก็เลยได้ฟังมาจากตรงนั้นแต่จําเนื้อหารายละเอียดไม่ได้รู้แต่หัวข้อ น, นเพราะอะไร ตรงนี้เขาก็มีคำอธิบายว่าพระวจันทเทวบุตรเนี่ยแม้เมื่แต่เพลิดเพลินในความสุขของเทวดาไปประมาทไปจึงจําได้แต่ตัวคาถาตัวเนื้อหาจํำไม่ได้ในเรื่องของจันทะเทวบุตรเนี่ยก็เคยเป็นอุบาสกนะผู้มีความมั่งคั่งพอสมควรในสมัยของพระบุทรเชา่าชื่อวิปสัสสีแล้วก็มีการถวายปะัะจําสีให้ทานอะไรต่างๆตัวเองก็เลยเกิดเป็นเทวดาชื่อจันทะเทพบุตร เราก็ได้มาฟังธรรมในสมัยของพระสมณโคดมในคราวที่พระพุทธเจ้าไปจำปัญจาบบนชั้นดาบดิงอะไรนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ 3-4 แห่งนี้เรามาดูเนื้อหาในพระสูตรนี้กันนะบุฟังเนื้อหาที่สําคัญที่ว่าบุคคลไม่ควรกำเนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไร พราพุทจ้าอธิบายเรื่องนี้โดยใช้ขันหะตะบูฟังขันะคือรูปเวทนาสัญญาสังหารวิญญาณพูดง่ายๆคือมีอยู่ในทุกสิ่งเลยเด่จะเป็นอาหารที่เรากินเป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนที่เราเคยเข้าผ่านมางานที่เราเคยทําไปในอดีตหรืออนาคตก็าตามอันนี้คืออดีตหรืออนาคตใช่ไหมถ้าเราไม่รำพึงรำพันเพลิดเพลินว่าแม่อดีตมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะหรืออนาคตมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้น แสดงว่าคุณมีความรําพึงเพลิดเพลินในอดีตในอนาคตในการทั้งห้าเหล่านี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่คํานึงถึงสิ่งที่ลงมาแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงได้อย่างไรก็ต้องไม่รําพึงเพลิดเพลินถึงกันตั้ง5้าที่เป็นในอดีตและอนาคตอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่วางแผนในอนาคตนะวางแผนในอนาคตได้แต่ไม่รําพึงเพลิดเพลินนี่คือประเด็นแดีนะ๋ยวพรุ่งนี้จะทําอะไรมันก็ต้องคิดอ่านการงานไว้ก่อนก็จะไหม จะเดินทางก็ต้องเตรียมมันนี่ไปอาจะไปนั้นก็ต้องทำอันนี่ก็ต้องมีจดไว้บ้างอันนี้คือวางแผนล่วงหน้าก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ไม่รําพึงเพลิดเพลินนไม่เพลินไปในสิ่งนั้นท่านที่เป็นอดีตหรืออนาคัยก็ตามในเรื่องนี้ท่านพระมหากัจานะอธิบายโดยแปลกไปอีกสักหน่อยหนึ่งโดยใช้เรื่องของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนโยบายชนะก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังโดยท่านพระมหาการนณะเนี่ย ท่านจะอธิบายโดยใช้คําว่าความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะในความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะในอดีตที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมอันนี้ท่านพูดถึงอดีตอย่างเดียวนะอดีตเนี่ยใช้คําว่าความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคาถ้ามีความกําหนัดพอใจในสิ่งที่เป็นอดีตไม่ว่ามันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจ ที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือธรรมารมณ์ก็ตามถ้ามีแนะสดงว่าคุณยังเป็นผู้ที่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วจะไม่ให้คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็อย่าให้มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันดารั ก, กะในสิ่งที่เป็นทางตาทางหูเป็นต้นนั้นส่วนในอนาคตท่านก็ใช้บทเพียรชนะที่แตกต่างไปกับของพระพุทธเจ้าดลฝั่งคือท่านในเหตุผลเพิ่มเติมมากคนที่จะมาเพลิดเพลินได้เนี่ย ก็ต้องตั้งจิตเพื่อจะได้ในสิ่งที่ตนยังไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งตงัวนี้ท่านใช้คาว่าเป็นปณิธานสมมุติถ้าตั้งปณิธานไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดความเพลินไอ้ความเพลินที่เกิดขึ้นนี่แหละทําให้เรียกว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นต่างต่างหูจมูกลิ้นกายหรือใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเสียงกลินล่นรสผลิตภัณฑ์หรือตำมะรุมแต่ตรงนี้นะเป็นขั้นตอนนิดหนึ่งนะถ้าเผื่อมีปณิธานตั้งสิ่งงงงทีี่่่่วาฉฉััันนนยไไไมดด้้้้ตอสิ แล้วเพลินจะเกิดความเพลินขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดความเพลินขึ้นปุ๊บเนี่ยอันนี้แสดงว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอ่าแล้วจะทํายังไงถึงจะได้ว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงได้ท่านพระมากัจจานะก็อธิบายว่างั้นก็อย่าไปตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้น ก, ก็จะไม่เพลินไม่เพลินก็จะเรียกว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอันนี้แตกต่างกับกองพระบุตรชานิหนึ่งนะตํางระวังนะคือพระบุตรชามา จ่เฉพาะลงไปตรงจุดที่เป็นความเพลินแต่ท่านพระมาก迦ชนะถอยไปอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นะคือการตั้งจิตเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ตัวนี้หมายความว่าไงหมายถึงการวางแผนในอนาคตนนหนึ่งดําหวังอา้าวถ้างั้นไม่ให้ฉันวางแผนในอนาคตอย่างนั้นหรอเราก็ต้องมาดูเปรียบเทียบนท่านพระมาก迦ชนะบอกว่าอย่าตั้งจิตเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ก็คืออย่าไปวางแผนในอนาคตนะเพราะมันจะเกิดความเพลิน ตรงนี้แหละจึงต้องมาเทียบเคียงกั น, นําฝังว่าอ๋อถ้างั้นถ้าฉันจะตั้งวางแผนในอนาคตว่าจะทำนี้ทำนี้แล้วถ้าฉันไม่เพลินอ่านี้แหละคือที่เราจะสามารถที่จะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงได้ ต, ตรงนี้เปรียบเทียบกันได้อันนี้คือในส่วนแรกของคาถานี้เนที่บอกถึงว่าไม่กำเนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอัลลาไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง น, นนี่คือเรื่องของอดีตอนาคตทีนี้ในเรื่องของปัจจุบันแต่ท่านได้กล่าวถึงว่าเอาถ้าปัจจุบันก็อย่าง่อนเง่นอย่าคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นตอนนี้เป็นพุทธพจน์ธรรมบั ง, งที่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วเพลินไปในความเป็นปัจจุบันอันนี้ก็ชื่อว่าอย่างงอนแง่นคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านใช้บทเพียงชนะที่เนื้อตามฟังท่านบอกว่าไม่ง่อนแงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันยังไงถึงเียกว่าเพลินไปในปัจจุบันยังไงถึงได้ว่า ง, งอนแง่นคลอนแคลนไปในปัจจุบันคือเห็นธรรมะปัจจุบันเนี่ยด้วยความเป็นอัตตานะเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่าสิ่งที่เป็นขันห้าในปัจจุบันเนี่ยมีในฉันฉันมีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันฉันเป็นสิ่งนี้ สิ่งนี้สิ่งนี้นี่คืออะไรก็คือขันห้านั่นแหละสิ่งนี้สิ่งนี้นี่คืออะไรคือเอตนะทั้งภายในหภายนอกหอย่างนั่นแหละท่านพระมหากัจจานาอธิบายแตกต่างไปนิดนึงท่านใช้คําว่าความรู้สึกนึ่งด้วยฉันทาราคะนั่นก็คือยังมีความกําหนัดด้วยอำนาจความพอใจอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมปัจจุบันนต่คุณมีมือถือเครื่องที่เป็นปัจจุบันเนี้ยแม่ชอบมันมากเลยนัมีความรู้สึกเนึ่องด้วยความกําหนัด ความพอใจนะในทางตาทางหูนะแมมจับต้องได้สัมปัติทางมือพอใจเหลือเกินอันนี้แสดงว่าอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแต่เพลินไปในปัจจุบันก็มีความง่อนเง่นในธรรมมันเป็นปัจจุบันนั้นมีความคลอนแคลนในธรรมมันเป็นปัจจุบันนั้นอันนี้เราจึงต้องระวังอยู่กับปัจจุบันก็เจยียงอยู่แต่ว่าอย่าให้ง่อนเงน่นอย่าให้คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นทํำยังไงทํำยังไงก็คืออย่าไปมีความเห็นว่าสิ่งที่เรา เจออยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราหรือเรามีในสิ่งนั้นอย่าไปเห็นอย่างนี้แต่ความเห็นอย่างเนี้ยมันเป็นความเห็นที่เป็นอัตตาแต่ให้เห็นเป็นอนัตตาคือเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองเอกเทศดดเดียวโดดแต่เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยมยังมีอยู่คงอยมันก็มีมาตั้งแต่อดีตนั่นแหละปัจจุบันันก็ยังมี เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่คงอยู่อนาคตมันก็ยังจะต้องมีถ้าเหตุปัจจัยของมันดับไปหายไปในเวลาอนาคตสิ่งนี้ในอนาคตนั้นก็จะไม่มีหรือถ้าเหตุปัจจัยของความมีอยู่คงอยู่ของสิ่งนี้ดับไปหายไปในปัจจุบันสิ่งนี้ก็จะดับไปหายไปในปัจจุบั น, นถ้ามีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ง่อนเงินไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นนี่ถึงจะถูกต้องท่านพระมหากาจน์อธิบายไว้ โดยใช้คําว่าความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะรากะถ้าไม่มีถ้าเราไม่ได้มีความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจรู้สึกพอใจรู้สึกยินดีในสิ่งที่มาทางตางหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นในปัจจุบันที่คุณเจอเจออยู่เนี่ย <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่ง่อนเงีไม่ก่อนแกลนประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเอ้เราจะเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นอนัตตาจะเห็นสิ่งที่มาถูกต้องนั้นไม่ให้มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะรากะได้อย่างไร คำเต่าในที่นี้ก็คือตั้งสติขึ้ น, น, นเองเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้จะต้องมีกําลังด้วยคือเพราะว่าถ้าสติมีอยู่แต่ไม่มีกําลังเนี่ยบางีมันก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญามีความเข้าใจในข้อ น, นี้ได้สตินั้นก็จะต้องมีกําลังพอสมควรในการที่จะเห็นได้อย่างตามที่เป็นจริงในบุนคคลที่ตั้งสติเอาไว้คือผู้ที่ไม่ประมาทนั่นเองบุคคลที่ไม่ประมาทตรงนี้แหละเรียก ว, ว่าเป็นผู้ทําความเพียรในท่านได้กล่าวไ ว, ว้ว่า เพิงเป็นผู้ทําความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละในที่นี้ก็คือให้ตั้งสติขึ้นนั่นเองใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายมัจจุราชตั้งังคือความตายมีเสนามากตกทอ่อก็ตายได้บางคนแค่กินอาหารมันอึออกอัออกในคอตายไปก็มีแต่บางคนนั่งอยู่เฉยๆอะไรไม่รู้หล่นใส่หัวตายก็มี ขับรถอยู่ดีๆเลนซ้ายมีรถมาชนตู้มระเบิดไฟไหม้ตายก็มีในเหตุปัจเจความตายมีมากจริงๆนบฟัฟฟ์ความผัดเพี้ยนเนี่ยไม่มีแน่นอนมาแน่นอนความตายไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายในโลกไม่มีอยู่มากก็บวกลบนิดหน่อยร้อยปีส่วนใหญ่ไม่เกินเกินก็มีอยู่นิดหน่อยแล้วพอมันมาเนี่ยคุณจะมาผัดเพี้ยนเนี่ยคุณจะมาผัดผ่อนไม่ได้ไ่นก็ว่าผัดเพี้ยนผัดผ่อนเนี่ยหมายว่า เอางัเจรจ า, าก่อนขออีกสักครึ่งชั่วโมงนะหรือว่าเอางั้นผูกมิดไว้นะเป็นใช้วิธีทางการทูตนะเพื่อที่จะว่าเอางั้นฉันยังไม่ไปกับเธอหรอกความตายเธอะไว้ก่อนให้ฉันอยู่ไปก่อนอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถทําได้เวลาที่มันมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปแน่นอนนะจะมาขอต่ออีกวันก็รื่องวันเนี่ยไม่ได้คนที่รอดมาได้นี่คือยังไม่ถึงคาดไงยังไม่ได้ถึงข่าวที่ตายจริงๆแต่ถ้าข่าวที่ตายจริงๆเนี่ยจะมาขอผัดผ่อนยืดไปอีกเนี่ยไม่ได้เลย นัมันหมดกันแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้เป็นผู้ที่ไม่มีความเกีียดคร้านมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้นะบ่าฟั ง, งคือมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่เนี่ยต่อให้อยู่แม้วันเดียวคืนเดียวความเป็นอยู่วันเดียวคืนเดียวของผู้นี้เนี่ยประเสริฐจริงๆริงนะบ่าังประเสริฐจริงๆพระพุทธเจ้าใช้ควาว่าเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญ เรยว่าพัเทกะรัตโตคือผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเพราะฉะนั้นพวกที่คิดว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายเนี่ยฉันจะตายดีกว่านะเราไปคิดดูซิว่าเอ๊ะจิตใจเรามีความประมาทหรื อ, อยังห่อหุ้มไปด้วยโมหะหรือไม่ถ้าไม่แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเพียรไม่เกียดการทั้งกลางวันกลางคืนเห็นอยู่แจ่มแจ้งด้วยปัญญาชัดเจนมีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้ ไม่ได้มีความยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่ยึดถือแล้วมันจะปล่อยวางได้สิถ้าปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตแม้วันเดียวคืนเดียวที่ถ้ามีความไม่เกลียดร้านมีการเห็นแจง้งแทงตลอดตามเป็นจริงเนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่ามากเลยยิ่งถ้ามีสองคืนสองวันโอ้โหยิ่งมีค่ามากจริงๆนี่งถ้ามี7คืน7วันหรือว่า7เดือน7ปีโอ้โหเป็นชีวิตที่มีค่ามากนะต้อหวังถ้าเราอยู่สักเจ็ปีหรือร้อยปี โดยจิตใจให้มีความเพียรไม่เกีคร้านทั้งกลางวันกลา ง, ลางคืนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่กําหนึกถึงสิ่งที่รวมไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันมีสตีสัมปชัญญะเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันาราคะในสิ่งที่มากระทบในตะฟังเอ้ย ยุ70ปีหรือร0อปีมีคุณค่ามากต่อให้เราอาจจะมีไม่ถึง70ปีจากนี้ไปเราอาจจะอยู่ไม่ถึง50ปีหรืออาจจะอยู่ไม่ถึง10ปีก็ตามเถอะต่อให้อยู่แค่7วันหรือแค่คืนเดียวก็ตามถ้าจิตใจของเราเป็นแบบนี้ดีแน่นอนเป็นผู้ที่เรียกว่ามีราตรีหนึ่งเจริญในวันนี้ได้นําพระสูตรเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญมาให้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ก็สามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีวันนี้มาลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อาภีปุณโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร